มีไหมมีอะไรบ้างที่คนมีศรัทธาทําไม่ได้มีไหมมีบ้างไหมที่คนมีปัญญาทําไม่สําเร็จมีไหมขอให้มีศรัทธากับมีปัญญาที่เหลือนะสติยากไหมไม่ยากสมาธิยากไหมถ้ามีศรัทธากับมีปัญญาไม่ยากสรุปแล้วไม่มียากเพราะศรัทธากับปัญญาจึงสําคัญพระพุทธศาสนาจึงขึ้นว่าพุทธังสารนังคัจฉามิในคำภีคุตกะปาทะสาหรับเบื้องต้นคนเข้ามาในพระพุทธศาสนา คำพีคุตกะาปาฐาเล่มฉบับนี้ใช้เล่มที่39เนี่ยนะถือว่าเป็นคัมภีร์เบื้องต้นของคนที่เข้ามาในศาสนาศึกษาเรื่องสารณาคมก่อนเนี่ยนะศึกษาเรื่องสาระก่อนสาระคืออะไรก็คือเนี่ยผูททางสารนางขจฉามีเรื่องแรกเลยคือเรื่องสาระคนที่เข้ามาในศาสนาเนี่ยนะแม้แต่บวชเป็นเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้ที่ถึงสารณาคมบัญปชาสัมเนนนะ บวชเนนเนี่ยคำอะไรรู้ไหมที่เราสวดทุกวันนั่นแหละคือคําบวชเนนผู้ทังสารานังคาฉามิจนถึงตติยัมติสังคังสารานังคาฉามิตั้งใจว่าและมีอัธยาศัยตั้งใจจะอุปสมบทคํานั่นแหละคือคําบวชเนนก็บวชเป็นสัม เ, เนนะที่เหลือบอกสัม เ, เนเนี่ยควรจะศึกษาในอะไรศิกขาบทสิประการ สมมเนนคือเหล่ากอของสมณะนะผู้ที่จะเป็นสมณ ะ, ะต่อไปจะต้องมีกายกรรมวจีกรรมมีมัญญาติเนี่ยนะพฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้างนั่นแหละเรียกว่าสมมเนนเรียกว่าเหล่ากอของสมณะนะเบื้องต้นของความเป็นสมมเนนคืออะไรก็คือการเนี่ยผู้ทางสารานังขชามิพระพิสูจน์ทั้งหลายถ้าไม่บวชเนนก่อนเนี่ยนะถ้าไม่ถึงสารนะก่อนจะไปสมาทานจะตกปาริสุูต์ที่ศีลได้อย่างไรจะไปสมาทานศีลวิสูตรที่จิตวิสูตรที่เป็นต้นต่อไปได้อย่างไรเนี่ยนะ ทีนี้สรารณาคมเนี่ยมันเป็นการเจริญศรัทธากับปัญญาขอให้มันมีความเข้าใจเนี่ยนะขอให้มีความเข้าใจเต็มที่เมื antee, ่อเข้าใจเต็ม ท, ที่ก็ถือว่านะเป็นบาทที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงแล้วเนี่ยนะเป็นบาปที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงทีนี้ถ้าฐานเหล่านี้ไม่มั่นคงละ่ะถ้าสาราะไม่มั่นคงละ่ะถ้าความเข้าใจในพระตรตสรัยไม่มั่นคงละ่ะอันนี้แหละที่จะต้องเ ส, สริมศรัทธาแล้วก็เสริม ปัญญาให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะก็บอกว่าสัตว์ทินซีก็มีอาหารปัญญ์ซีก็มีอาหารถ้าไม่ให้อาหารบ่อยๆโตขึ้นไหมที่พูดวันนี้ตั้งยาวมาก็เพื่อจะให้อาหารบ้างอะนะเพื่อพร้อมกระรองเนี่ยนะหมดเรียเร่ยวโมแรงเนี่ยนะกับหลอกกับเรีย้ยก็มาเคยเห็นนักโทษที่ถูกขังถูกขังในคุกกี้ไก่เนี่ยนะนะคุกกี้ไก่มันคุกอะไรเพก็เช่นเช่นแบบอะไรนะไปไปต่างไปถูกเข้าคุกต่างประเทศอ่ะนะ เราไปเข้าคุกขี้ไก่ต่างประเทศมา6เดือน8เดือนเนี่ยนะโอ้ยกลับมาเนี่ยนะยังกะเดินแทบจะล้มนี่นแหละแทบจะไม่มีเรียวมีแรงอ่ะนะอยู่ในคุกขี่ไก่เหม็นเ ม, ม, ม็นเด็กขี้ไก่นั่นแหละแล้วพอออกมาก็กวโอ้ยกระปลอกกระปลี้มาจริงๆเลยนะพร้อมกระรองเลยเนี่ยนะเราบางทีศรัทธาของหลายคนนี่กระปลกกระเปลกกันนั่นแหะกระปลอกกระปลี้หมดเรียวหมดแรงเนี่ยจะลุกจะเดินจะเหินก็ไม่ไม่ไหวเลยเนี่ยนะถ้าบอกว่าถามอ่ะสังเกตดูว่าเอ๊ะสัตว์รู้ได้ยังไงว่าศรัทธาเราน้อย ลองไม่สบายใจแล้วเราคิดถึงศรัทธาดูสิสบายใจเลยใช่ไหมทันทีเลยใช่ไหมปิ้งเลยใช่ไหมบางทีนะโอ้โหยคิดอยู่ตั้งนานนะเจอบางเรื่องเข้ามาอารหังก็แล้วอีติพิโซรอบแล้วรอบเล่าอู้ยทําไมมันยังฟุ้งอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะอันนั้นแหะแปลว่าอะไรก็แปลว่าโอ้ยอาหารของศรัทธานี่มันน้อยมากศรัทธาไม่แข็งแรงเลยเนี่ยนะไม่มีพระไม่มีพระไม่มีกําลังเลยเนี่ยนะโศกแล้วโศกเล่าเครียดแล้วเครียดเล่าเสียใจแล้วเสียใจเล่าก็แปลว่า ศรัทธาเราไม่ได้เติบโตอะไรเท่าไรพอมากนะนะทำยังไงจะได้โตขึ้นมีอาหารที่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็มั่นค ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะถ้าศรัทธาไม่มั่นคงนะถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วเนี่ยมองเห็นพระไตรปิฎกเป็นกองโตอะไรกัเนี่ยเยอะมากใครจะไปอ่านวาดอ่านไว้โอ้ยเรื่องยาวเลยนะแต่ถ้าคนมีศรัทธานะ ขอบคุณพระพุทธเจ้านะเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ไม่แสดงจะมีคำสอนเหล่านี้เหลือให้เราหรือถึงเกิดไม่ทันก็ยังดีมีคำสอนเอาไว้นะ่เป็นบุญวาสนาของเราแล้ว ขอ <link video> ให้เราได้แบ่งทํำยังไงจะได้มีเวลาอ่านเนี่ยนะได้อ่าน2นาทีก็เป็นบุญได้อ่าน10นาทีก็เป็นบุญถ้าอ่านชั่วโมงก็เป็นบุญอ่านจบหนึ่งเล่มก็เป็นบุญ2เล่มก็เป็นบุญอ่านทุกเล่มก็เป็นบุญจําได้1คํางคำก็เป็นบุญจําได้สองคำก็เป็นบุญจําได้1สูตรก็เป็นบุญจําได้10สูตรก็เป็นบุญบุญของเราทั้งนั้นเนี่ยนะปัญญาของเราทั้งนั้นเป็นอริยทรัพย์ของเราทั้งนั้นเนี่ยนะเป็นหนทางจะยังไกลแต่ก็ไม่เลิกใช่ไหมก็คิดว่าเออตัว มันก็ลักษณะคนมีศรัทธาเป็นอย่างนี้เรียกว่าพระจันทร์ข้างขึ้นเนี่ยนะมันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, ตนแต่พระจันทร์ข้างแรงกระเช้าลงเช้าลงเช้าลงอุ้ยทำมัวเจริญอย่างนี้เมื่อไหร่จะบรรลุไปหาทางลัดดีกว่าเนี่ยนะลัดไปไหนนาะเนี่ยนะเขาบอกว่าการตรัสรู้ธรรมะเนี่ยนะการตรัสรู้มรรคผลนิพพานเนี่ยถ้าพูดตามปฏิสัมพิธามมักต้องเจริญคุณธรรมประมาณสาสิบเจ็ดชั้นด้วยกัน จนถึงอรหัตตมรรคนะถ้าโซดาปฏิมาก็คุณธรรมเนี่ยนะต้องลอกคราบตัวเองประมาณ34ชั้น3าม4ชั้นจึงจะตรัสรู้ได้เช่นทำยังไงจะฆ่าเจตนาในปานาติบาตได้จริงๆพิษสงคือเจตนาในปานาติบาตอย่าไปคิดว่ามันมันอาจจะกำลังฟักตัวอยู่ก็ได้เนี่ยนะที่เราไม่ฆ่าบางอย่างเพราะมันไม่ได้ปัจจัย นะเพราะอะไรเพราะเราไม่สูญเสียทรัพย์เกินกว่าที่เราจะค่าเราไม่สูญเสียญาติเกินกว่าที่เราจะค่าไม่สูญเสียอวัยวะที่เราจะไม่ค่าได้นะไม่สูญเสียอะไรยศหรือไม่สูญเสียชีวิตเนี่ยนะเพื่อรักษาชีวิตเพราะบางคนเนี่ยเห็นแก่ลาบยศอวัยวะสัละอะไรนะทรัพย์ญาติยศอวัยวะชีวิตเนี่ยนะถ้าหากเงื่อนไข5ประการเหล่านี้เราอาจจะค่าก็ได้ แล้วถ้าฆ่าแล้วกฎหมายไม่ผิดกฎหมายด้วยเอาไหมไม่แน่อาจจะฆ่าใช่ไหมหนึ่งบอกว่าเราไม่โกงหรอกว่าอาจจะตัวเลขมันต่ําเกินกว่ามั้งเนี่ยนะหรืออาจจะคิดว่าตัวเองมีความผิดข้างหน้ามั้งแต่ถ้าไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยสมมติกฎหมายไม่เอาเรื่องไม่มีใครว่าอะไรเลยจะเอาหรือไม่เอาเงี้ยแล้วผิดกาเม่หลังเงี้ยเอาถ้าหากว่าเรียกว่าคือคือทุกอย่างพร้อมที่จะผิดได้หมดเนี่ยนะถามว่าจะจะผิดจะเว้นหรือจะผิดน่ะจะขอผิดหรือจะขอเว้นน่ะ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าคนที่พร้อมที่จะขอผิดเนี่ยนะก็แสดงว่าอะไรก็เปล่าเปล่ า, าแต่ว่าจีกรรมเฉยๆเรื่องนี้มันจะอีกนานถ้าพูดจริงมั่งไม่จริงมั่งเพื่อจะหัวเราะกันเล่นโอ้ยอันนี้สินข้อสียังอีกนานเนี่ยนะ เรื่องเรื่องมันยังอีกไกลว่างั้นเถอะถ้าสุราก็แล้วแต่ว่างั้นน่ะบางคนก็แม้ชอบเป็นชีวิตจิตใจไปเลยก็ดูเอาเนี่ยนะก็ไล่ยอย่างเงี้ยไล่เป็นกรรมบดมุสาวาตปิสุนาวาจาพฤทวาจาสัมปัปปลาปะและแก้อภิชาด้วยอนัพิชาแก้พยาบาทด้วยเมตตาแก้มิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็มาไล่น่ะแก่แก่อะไร แก้การมฉันท่ด้วยเนคขมมะแก้พยาบาทด้วยความไม่พยาบาทแก้ถีนมิทธะด้วยอโลกสัญญาแก้แก้อุทะจักุกุจ่าด้วยความไม่ฟุงซ่านนนะแก้วิจิกิจชาด้วยการกําหนดธรรมแก้อรติด้วยปรามโมทแก้อวิชชาด้วยยานะแก้นิวรห้าด้วยประถมมานแล้วก็ละไปเรื่อยๆอย่างงี้ยนะแล้วก็แก้นิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาแก้ทุกขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาแก้อัตตสัญญาด้วย อนุตตานุปัสนาจนกว่าจะนิพิทาวิราคานิโรธาปฏินิสค า, าเนี่ยนะโอ้ยเรื่องมันอีกยาวหวังอันเถอะคืออยากคิดว่ามันจะง่ายทั้งง่ายจริงก็ขออนุโมทนาสาธุคนที่เขามีบุญนะนะก็จะเอาไว้กราบไหว้นะสุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโคสังขังนะมามีขอนอ่อมน้อมกับผู้ที่เขาปฏิบัติตรัสรู้เร็วอย่างนั้นก็อนุโมทนาด้วยนะถ้าตรัสรู้ผิดเราก็จเจริญกรรมสกตาเป็นใช่ไหม เราควรจะวางโอเบคาในสมัยสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีกรรมเป็นของของตนนะเขาคงมาด้วยกรรมของเขาสิ่งใดที่เขาทํามันก็สมบัติติดตัวของเขาอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไปช่วยแบ่งปันอะไรเขารอกถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยนะถ้าบาปนะเราก็บอกว่ากรรมมะัสะโกมิฮิถ้าบุญอนุโมทนาด้วยนะบุญเนี่ยมันแบ่งกันได้บาปเนี่ยทำไมเราต้องไปขอแบ่งใช่ไหมไม่ต้องแบ่งหรอกไม่ต้องขอแบ่งรอกเนี่ยนะ เพราะงั้นก็ขอแบ่งแต่บุญอย่างเดียวก็แล้วอนุโมทนาส่วนบุญถ้าจะแบ่งให้เขาก็แบ่งแบ่งบุญไปเนี่ยนะเรียกว่าเจริญบุญยะกิริยาวัตถุทั้งหลายนั้นเราก็ต้องมามาจับทิศทางของตัวเองให้ดีๆว่าการศึกษาพระพุทธศาสนาของเรานั้นอยู่ที่ไหนเพื่ออะไรแล้วก็ทําไมถ้าอย่างนี้เราก็เอาทื้งการศึกษาเนี่ยนะเบื้องต้นของคนที่เข้ามาศึกษาศาสนาเลยเนี่ยถามว่าเขาได้อะไร ถ้าศึกษาทุกวันทุกวันหนึ่งถ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองได้ศรัทธาในพระรัตนตรายเพิ่มแปล ง, ง่ายๆว่าผิดแล้วพลาดแล้วพลาดอย่างเดียวว่างั้นเถอะรู้คุณพระรัตนตรัยลดลงลดลงแต่รู้ประวัติของบางคนมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็แปลว่าผิดแล้วก็พลาดอีกเหมือนกันเนี่ยนะต้องวัดศรัทธากับปัญญาเนี่ยต้องวัดดูว่าพระรัตนตรยัยมั่นคงยิ่งขึ้นไหมเนี่ยนะสาระเป็นต้นดีขึ้นไหมแล้วค่อยมากล่าวถึงเรื่องศีลเนี่ยนะ ค่อยมากล่าวถึงเรื่องศีลพ่อไห่เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกแล้วพระองค์แสดงธรรมเพื่อการฝึกพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ผู้อื่น มีศีลพระพุทธเจ้าเป็นผู้มี ส, ม, สมาธิจึงสอนให้ผู้อื่นมีสมาธิพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาพระองค์จึงสอนให้ผู้ชชชอืชช่นมีปัญญาพระพุทธเจ้าเจริญสติปัฏฐานจึงสอนให้ผู้อื่นเจริญสติปัฏฐานพระองค์มีสัมมปทานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงและองค์มรรคพระองค์ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาจึงสอนสาวกให้ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้ากําหนดรอบรู้ทุกพรุองจึงสอนให้คนอื่นกําหนดรู้ กองทุกข์พระองค์ละกิเลสอวิชชาตันหาเป็นต้นพระองค์จึงสอนให้คนอื่นละพระองค์ทาให้แจ้งพระนิพพานพระองค์จึงสอนให้คนอื่นตรัสรู้พระนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกขสงบทุกขเป็นต้นพระองค์เป็นผู้ที่เจริญคุณธรรมทั้งปวงพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นเจริญคุณธรรมมันเบื้องต้นนั้นจึงอยู่ที่ว่าศรัทธาของเราอ่ะพูดง่ายๆว่าเชื่อใจพระพุทธเจ้าแค่ไหนเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระองค์แค่ไหน คำว่าเชื่อใจก็คือเชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้าขนาดไหนมั่นใจว่าพระองค์เป็นผู้มีปัญญาจริงหรือไม่อันหนึ่งสองเชื่อใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ใจจริงหรือไม่อย่างที่สามเชื่อว่าในโลกนี้ใครจะเห็นใจเราเท่ากับพระพุทธเจ้าใครจะสงสารเราเท่ากับพระพุทธเจ้าสงสารเราเนี่ยนะคือคือเราเรามีใจอย่างนี้กับพระองค์จริงไหมก่อนนะแต่เข้ามาฟังคำโยมท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะ บอกเขาเชื่ออยู่คนเดียวคือเชื่อพระพุทธเจ้าแค่นั้นแหละว่าคนอื่นไม่เชื่อสักคนอรประมาณนั้นก็บอกว่าเออมันก็เราก็เห็นด้วยนะเออเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะซึ่งอนุโมทนาจริงๆว่าขอเชื่อคนเดียวคือเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นไม่มีเปลี่ยนอยู่แล้วว่า ง, งาั้นนั่นแหละพุทธพจน์ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแหละก็จริงอย่างนั้นจริงๆมันเขาขอเชื่อพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นแหละคนอื่นถ้าพูดตามพระพุทธเจ้าก็เชื่อถ้าเขาไม่พูดตามก็เออเราก็ปิดตัวของตัวเองเเเหมืออออนนนนนกกกัั่่้ยรา็ตงขคิดดูีะ แต่จริงได้เป็นพุทธพจน์เชื่อเลยเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงรียกว่าเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระองค์และเชื่อกรุณาว่าพระองค์ตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลายท่านก็บอกอุ้ยศึกษามาเยอะฟังธรรมไม่มากมากบอกฟังมาตั้งหลายปีฟังมาเยอะแยะเลยไปหมดเลยตอนนี้ไม่รู้จะทํำยังไงก็เหมือนกัน เอ อ, น, นะอนั่นน่ะเขามาเขาบอกมาไม่มีอะไรจะพูดแล้วละว่างั้นเถอะนะไม่มีอะไรไม่รู้จะเปิดคัมภีร์อยมไหนสอนอีกต่อไปแล้วว่างั้นจะจบเพยแล้วว่างั้นเพราะอะไรมันหนึ่งเขาธรรมะทั้งหมดก็สอนให้เขาเจริญศรัทธาฟังมาขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าศรัทธาเจริญขึ้นอย่างไรเนี่ยมันอย่างงี้มันก็ไม่รู้จะพูดให้มันเป็นอะไรแล้วใช่ไหมมันไม่มีผลต่อการเอาไปปฏิบัติจริงๆแสดงว่าฟังคาอะไรนะ ไปนึกโอ้เราเนี่ยมันอาชีพขับกล่อมตัวเองไปวันวันหรือไงขับกล่อมคนอื่นพูดให้คนอื่นฟังไปวันวหรือไงเนาะทำไมศรัทธาเขาไม่โตขึ้นบ้างเลยดูนะนึกชักสงสารตัวเองเหมือนกันในบางทีเคยเออเราพูดพูดทุกวันทุกวันทุกวันทําไมเขาไม่มีศรัทธาในพระรัตนาไตรเพิ่มขึ้นเลยอย่างนั้นนะบางทีเขาบอกว่าอย่าว่าโยไม่มีศรัทธานะแต่โยไม่เล่าให้ฟังแค่นั้นแหละ ก, ก็อนุโมทนาด้วยก็แล้วกันคือบางทีเนี่ยก็ดูว่าเราศรัทธาเราโตขึ้นไหมอันนี้เป็นเครื่องเช็คเป็นเครื่องวัดเนี่นะ แล้วเขาบอกว่าฟังมาตั้งเยอะแยะแล้วเขาบอกจะให้เขาทํำยังไงเนี่ยเขาบอกเขาไม่มีอะไรจะพูดแล้วหรอปราณนั้นก็คือบอกว่าศรัท ธ, ธานั่นแหะเราโตขึ้นไหมแล้วศรัท ธ, ธาดูที่ไหนจำเอาไวน้นะศรัท ธ, ธานี่แปลว่าตัวเขาพูดแบบทงางพาเครื่องกรองใจอนะเครื่องกรองใจให้มันใสคือศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาภาษาไทยก็แปลตรงตัวว่าเลื่อมใสเนี่ยไอ้คําว่าเลื่อมก็แปลว่าไม่ใช่ครุขระตะปุ่มตะปํามันต้นใช่ไหมคําว่าใสก็แปลว่ามันไม่ขุ่น เป็นชื่อของอะไรตัวที่กลั่นกรองทาใจให้ไม่ขุนและไม่มัวไม่หมองนิวรไม่กลุ่มรุมนั่นะนั่นแหละเรียกว่าศรัทธาตัวนั้นะโตขึ้นบ้างไหมผ่องใสขึ้นบ้างไหมสบายใจขึ้นบ้างไหมคำว่าศรัทธาอันหนึ่งเลยก็คือความสบายใจใช่ไหมชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่นับถือพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยเราสบายใจเพิ่มขึ้นขึ้นไหม ก็ค okay, ิดด <That 's S 2> mm ูว่าถ้าไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเราจะเป็นยังไงชีวิตเราก็มาแยกนะระหว่างมีศรัทธากับไม่มีศรัทธาเนี่ยดีกับเสียมันต่างกันยังไงชั่วใครเรียกว่าดํากับขาวมันเป็นยังไงสูงกับต่ามันเป็นยังไงมืดกับสว่างมันเป็นยังไงถ้าเรามีศรัทธาเหมือนกับชีวิตได้เข้าสู่แสงสว่างแล้วขณะที่เราไม่มีศรัทธาแหมชีวิตมันทำไมมันอยู่ที่มืดจังเลยเนี่ยนะถ้ามีศรัทธาก็เหมือนกับเรามีที่พึ่งถ้าไม่มีศรัทธาเหมือนกับคน กรรมพระเหมือนกับอาณาถาทางวิญญาณเหมืนกันแปลว่าเป็นวิญญาณอาาถาเป็นวิญญาณวิญญาณที่ไม่มีศรัทธานี่มันวิญญาณอาณาถาเหมือนกันนะต้องไม่รู้ว่าใครจะกรวดน้ําไปให้ก็ไม่ทราบเลยนะก็จะกรวดน้ำอาจจะว่ากรวดน้ําลยวิญญาณของคนที่อาณาถาก็คอยขอรับส่วนบุญจากคนอื่นใช่ไหมจะมีใครสวงเคราะห์พวกหนูทั้งหลายบ้างเป็นต้นไห่ก็เรียกอาาถาอาณาถาแปลว่าขาดที่พึ่งนาถาแปลว่าที่พึ่งอาณาก็แปลว่าไร้ที่พึ่ง เป็นใจที่ขาดที่พึ่งใจที่ขาดที่พึ่งเนี่ยนะสบายใจไหมอุ่นใจไหมบอกยากเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนที่อุ่นใจแล้วก็สบายใจทีนี้มันไม่ใช่เพียงแต่เชื่อเชื่อเชื่ออู้เชื่อหมดแล้วจ้ายอมหมดแล้วพระพุทธเจ้าเป็นยังไงบอกไม่รู้แต่ขอเชื่อไว้ก่อนก็ว่าเชื่อแล้วดีถ้าอย่างนี้ก็จะเชื่อได้กี่วันเนาะถ้าคนอื่นมาพูดอย่างอื่นดีก็ไปอื่นอีกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่โงเ่เขลาก็คือเชื่อแบบรู้คุณ รู้คุณแล้วปุพะจริยาคุณเป็นยังไงเนี่ยนะพระองค์ทําอะไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นรู้อย่างน้อยก็ บ, บารมีสิบละถ้าพระองค์ไม่สร้างบารมีทั้งสิประการพรงค์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงถ้าพระองค์ไม่มีคุณสมบัติคือพาธอรหัน์เป็นต้นอรหันท์สำถ้าพระองค์ไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะสอนได้ขนาดนี้ได้อย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ถ้าคําสอนเหล่านี้เนี่ย ถ้าไม่มีไม่มีผู้ตรัสรู้จริงแล้วเขาจะรักษาไว้ทําไมนานขนาดนี้ลงทุนมหาศาลเหมือนนเถอะตั้งแต่รุ่นพระเจ้ า, าชาติศัตรูเนี่ยนะลงทุนมหาศาลเพื่อจะช่วยการรักษาธรรมวินัยจวบตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบันเนี่ยลงทุนมหาศาลลงทุนจริงๆเลยนะเพื่อธรรมวินัยเนี่ยนะทรัพยากรโลกเนี่ยนะเรียกว่าจ่ายออกไปเพื่อรักษาธรรมวินัยเนี่ยชีวิตของคนเท่าไหร่เพื่อรักษาธรรมวินัยเอาไว้เนี่ยนะ มันเราก็ต้องมีเจริญศ ร, ร, รัทธานี้ให้เติบโตแล้วก็เจริญปัญญาให้พยายามเข้าใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ระหัสเราพูททางสารณังคัจฉามิระ ล, ลึกถึงกันนะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ปรินิพานนานแล้วในชะ่เราสวดว่าไงนะเราขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้อะขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพานนานแล้วว่าเป็นสารณะเนี่ยนะสารณะก็แปลว่าศรัท ธ, ธาของเราขอประดิษฐานในพระพุทธเจ้าถ้าเราจะรู้ รู้จักบุคคลก็ขอรู้จักพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะเห็นเลยว่าศรัทธาอันนี้เนี่ยนำออกจากความมืดสู่แสงสว่างออกจากความไม่มีที่พึ่งเป็นผู้ที่มีที่พึ่งจากความอดอยากหิวยหิวเป็นความอบอุ่นเนี่ยนะแล้วก็เหมือนจากความเราต้องแบบท่องไปแบบไม่มีที่พึ่งไม่มีผู้ชักนําก็กลายเป็นผู้ที่มี ผู้นำที่ปลอดภัยวัะศรัทธาเนี่ยนะที่มีต่อพระรัตนตรายนั่นแหละนําเราไปสู่ที่ที่ปลอดภัยที่ไหนก็พระนิพพานนั่นแหละเป็นธรรมที่ปลอดภัยปลอดภัยมาจากบาลีวะอะพยังหรือเขมังเนี่ยน ะ, กะเกษมแล้วก็ปลอดภัยคําว่าปลอดภัยเป็นชื่อของพระนิพพานศรัทธาของเราที่เชื่อพระพุทธเจ้าศึกษาปฏิบัติตามคําสอนนี่นําไปสู่ที่ปลอดภัยพระนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจาก ภัยเป็นพระนิพพานที่พ้นจากภัยในวัฏฏะโดยประการทั้งปวงเลยนะนั้นก็ในวันนี้ก็ขอศรัทธาของเราที่มีต่อพระรัตนตรยัยจงเป็นไปเพื่อความพ้นภัยได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าโดยท่วนกันอนุมโมทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้